ค่อยคของพระอริยะที่กล่าวถึงในหลวงรัชการที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ทรงเป็นที่ยอมรับจากพระอริยะและผู้ทรงคุณธรรมหลายท่านว่าทรงสนพระไทยในการศึกษาปฏิบัติธรรมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานทรงสนใจจริงจังทั้งขณะทรงผนวดและหลังทรงลาสิก ข, ขาแล้ว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 ในยามที่พระองค์ทรงพระประชวรเวลานี้บ้านเมืองของเราอยู่เพราะในหลวงองค์เดียวเท่านั้นไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ในหลวงจะเสด็จเหยียบแผ่นดินไทยไปทุหย่อมยากเหมือนในหลวงพระองค์นี้เพราะฉะนั้นให้สวดมนต์ภาวนาน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิต